Amen. กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่34เรื่องปริศนากลางน้ำขณะที่อยุทยากำลังรื่นเริงบันเทิงจิตกำลังตื่นเต้นในกรรัตริย์หนม ผู้ปรีชาสามารถทั้งในการทำความเจริญรุ่งเรืองแจ่อยุทยาทั้งในการป้องกันศัตรูภายนอกผู้ยกทัพมาถึงสามครั้งสามคราวเป็นการทำอยุทยาให้สมจริงตามนามที่แปลว่าอันใครๆครบชนะไม่ได้นั้นวันหนึ่งก็ได้มีเสียงโจดขานอื้อเฉากันว่ามีเรือนยอดอันงดงามทำด้วยต้นกล้วยประดับประดา ด้วยธงไชยและธงแผ่นผ้าลอยมากลางลำน้ำสระยูชาวบ้านจึงพายเรือไปลากจูงเรือนยอดต้นกล้วยนั้นมาไว้ที่ท่าน้ำหน้ากรุงอโยธยามีคนมามุงดูเป็นกลุ่มๆด้วยเห็นเป็นของแปลกเพราะผู้ทำรรได้พยายามจัดทรรมด้วยความประณีตวิจิตบรนจงประกอบด้วยฝีมือแห่งช่างอันงดงามยิ่งภายในเรือนยอด มีข้อความจารึกในแผ่นแห่งดินเผาเจ็ดแผ่นแต่ละแผ่นมีข้อความอ่านได้ดังนี้เจ้ามณีเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นเจ้าสารพัดนึกใครได้ไว้แล้วจะนึกสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างแต่เจ้ามณีนี้คนที่ไม่ได้ อยากนึกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่ได้แล้วกลับไม่อยากนึกใครปรารถนาแย้วมณนีนี้ก็จงคิดให้ออกแล้วมาเอาไปโดยไม่ต้องเรียกร้องจากใครที่ไหนโชค ว, วาสนานั้นมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเดินเฉียดคนไปมาบางครั้งก็กระทบกระทั่งแต่คนกลับมองไม่เห็นและหาไม่พบ เกิดเพลิงไหม้ชนิดเดินได้มองไปทางไหนก็พบเพลิงไหม้เดินไปมาแต่ไม่มีใครคิดดับของดีคงจะอยู่ถ้าคนในไม่ทําลายและคนนอกช่วยดูคนในไม่ดีจะช่วยล้างคนนอกไม่คุมจะช่วยพลานอยากตนหนึ่งเหินไปไม่คืนหลังล้างผลาญชีวิตมนุษย์และสัตว์ สุดที่จะประมาณได้ใครกินยักตนนี้ได้จะมีลาบอันประเสริฐพระจันทร์เต็มดวงในราตรีชุนหปักคือข้างขึ้นบัดนี้มีผู้คนพบพระจันทร์เต็มดวงในการละปักคือข้างแรมแล้วจงมาช่วยกันดูให้ชื่นใจในวงกลมอันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเหตุชไหนคน จึงมองเห็นเป็นบ้านเป็นเมืองและหัวเราะและร้องไห้ใครเล่าจะช่วยเตือนให้คนเหล่านั้นหยุดฝันเสียทีปริศนาธรรมในแผ่นแห่งดินเผามีข้อความประกาดนี้เมื่อมีผู้สนใจจดจำเล่าเลือกันต่อต่อไปก็ยิ่งมีคนแตกตื่นพากันมาดูเรือนยอดต้นกล้วยที่ท่าน้ำหน้ากรุงมากขึ้น ต่างก็วิจารณ์และคิดตีความหมายกันไปต่างๆรวมทั้งบางคนแม้จะมีผู้อ่านให้ฟังแล้วหลายเที่ยวแต่ไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งไม่สามารถจะจําไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยว่าแผ่นหดินเผานั้นว่าด้วยเรื่องอะไรราชบุตรทราบข่าวมาสอบสวนแล้วจึงนําเฉพาะแผ่นหดินเผาเข้าไปถวายพระเจ้าสุรเสีณเพื่อทอดพระเนตร แต่ก็ไม่ได้รับสั่งประการไรสั่งให้รัชบุรุษนำไปถวายทนิยะพระราชบิดาแล้วพระเจ้าสุรเสนะก็เสด็จไปเฝ้าทนิยะพระาพระาชบิดาพิจารณาแผ่นดินเผาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนสุรเสนะนี่แหละ ที่เป็นธรรมเสนาที่พ่อเคยพูดกับเจ้าระหว่างเดินทางบัดนี้เป็นกาละอันสมควรที่เราจะช่วยธรรมเสนาหรือกองทัพธรรมใหญ่แผ่แพ ร, พร่หลายไปแล้วเป็นลาบอันประเสริฐที่จะได้ให้ความเจริญทาง จ, จิตใจแก่มหาชนคู่กันไปกับความเจริญทางบ้านเมืองที่อยู่อาศัยบัดนี้มีเพียรประโยชน์ที่บ้านเมืองกาลังสงบสุขปรารถนา จะให้มหาชนหันมาสนใจในคติเตือนใจจึงได้ทำปริศนานี้ขึ้นส่วนเรือนยอดนั้นเป็นเพียงเครื่องรอให้คนทั้งหลายสนใจเท่านั้นแต่ก็แสดงอยู่ว่าศิลปศาสตร์ย่อมเป็นทางเดินของคติธรรมด้วยกล่าวคือเมื่อบุคคลสนใจในความวิจิตบรรจงแห่งศิลปศาสตร์นั้นเขาก็อ่านเหลือเพียนคติธรรมซึ่งแฝงอยู่ดังแผ่นแห่งดินเผาเจ็ดแผ่น อันวางอยู่ในเรือนยอดลอยน้ำได้นี้ดูก่อนสุ ร, รเสนะชนทั้งหลายจะตีความแห่งพาสิทธเหล่านี้ออกหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อมีความสนใจใครรู้และมีผู้อธิบายให้เข้าใจความหมายแล้วก็จะมีความเข้าใจจำแจ้งในชีวิตของตนและของผู้อื่นเป็นผู้มีใจสูงประกอบด้วยคุณธรรมเะนนั้นลูกจงให้เป่าประกาศเถิดว่า ใครก็ตามที่สามารถอธิบายพาสิทธิ์ทั้งเจข้อนี้ได้ดีที่สุดแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็จะได้รับรางวัลดังนี้จะเป็นทางช่วยให้คนทั้งหลายขอบชิดและสนใจมากขึ้นผู้ที่รู้ความหมายชัดเจนแล้วจะไม่แสดงตัวเพราะเป็นผู้ไม่ต้องการรางวัลเช่นนี้หากมีรางวัลภายในซึ่งสูงกว่าอยู่แล้วส่วนผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างหรือไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อฝักไฟค้นคิด จะได้ฟังคำอธิบายในที่สุดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันเกี่ยวกับจิตใจของตนได้เป็นอย่างดีข้าแต่พระบิดาลูกเองก็เห็นประโยชน์และคติเตือนจากภาสิทธ์เหล่านี้แต่ก็รู้สึกมีบางข้อที่ยังไม่เข้าใจจำชัดถ้าจะโปรดอธิบายให้ลูกฟังโดยชัดเจนก่อนก็จะเป็นพระคุณหาที่สุดมีได้ ดูก่อนสุรเสนาในข้อแรกที่ว่าแ้่มณีเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นแ้า่สารพัดนึกใครไว้ได้แล้วจะนึกสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกอย่างแต่แ้่มณีนี้คนที่ไม่ได้มักอยากนึกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่ได้แล้วกลับไม่อยากนึกใครปรารถนาแ้่มณีนี้ก็จงคิดให้ออกแล้วมาเอาไปโดยไม่ต้องเรียกร้องจากใครที่ไหน ดังนี้นั้นแสดงว่าปัญญาสูงสุดได้เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญญาที่ทำให้คนเห็นเต็มความปรารถนาโดยไม่ต้องตกเป็นธาตของความอยากได้อยากใคร่ดีทั้งหลายเมื่อมีปัญญาสูงสุดนั้นแล้วความทยานอยากต่างๆซึ่งเคยมีมาแต่การก่อนจะพันสงบประงับผู้ใดเข้าใจความข้อนี้ก็จงพยายามปลูกปัญญาชนิดนั้นให้เกิดขึ้นด้วยตนเองก็จะชื่อว่า ได้แจ้วมณีนั้นไปโดยไม่ต้องเรียกร้องเอาจากใครดูก่อนสุราเสนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าปัญญาเป็นดวงแจ้วของนอรชนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ทรงค้นพบว่าปัญญาแม้จะในทางโลกหรือในทางธรรมก็ช่วยให้เกิดความสว่างได้แต่ถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงสุด คือปัญญาทางธรรมซึ่งทำลายกิเลส ต, ต่างๆได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เหมือนมีเจ้าสารพัดนึกสงบความทยานอยากความรุ่มร้อนต่างๆได้ไม่รู้สึกบกพร่องหรือยังขาดอะไรอยู่คนที่มีความรู้สึกเสมือนหนึ่งหิวกระหายและอยากได้อย่างดีอย่างรุนแรงอยู่หนึ่งนิดนั้นก็เพราะยังไม่เกิดดวงตาคือปัญญาอย่างสูงนั้นจึงเข้าในลักษณะของสุภาษิต ตามที่กล่าวว่าเจ้ามณีนี้คนที่ไม่ได้มักอยากนึกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่ได้แล้วกลับไม่อยากนึกดูกนสุรสีณปัญญาทำให้คนอิ่มได้ทำให้คนประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้เกิดปัญญาจึงเป็นการดีแต่ก็เป็นที่พึงสังเกตว่าคนโดยมากนึกว่าปัญญา เป็นของเกิดขึ้นเองประจําตัวบุคคลส่วนทางพระพุทธศาสนาถือว่าปัญญาชนิดที่เกิดขึ้นเองนั้นเป็นปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาชั้นสูงจะต้องอาศัยการคิดการศึกษาและการอบรมจึงเกิดขึ้นได้คําสุดท้ายแห่งภาสิทธิที่ว่าใครปรารถนาแก้วมานีนั้นก็จงคิดให้ออกแล้วมาเอาไปจึงหมายถึงการเตือนให้รู้เรื่องของปัญญานั้นแลรู้จัก ให้มันเกิดขึ้นดูก่อนสุรเสนในข้อที่สองที่ว่าโชควาสนานั้นมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเดินเฉียดคนไปมาบางครั้งก็ถึงกระทบกระทั่งแต่คนกลับมองไม่เห็นและหาไม่พบดังนี้ เป็นความหมายตื้นๆซึ่งเจ้าก็ย่อมเข้าใจได้ดีเพราะพ่อได้เคยกล่าวอยู่เสมอว่าโชควาสนานั้นใช่อื่นไกลคือผลแห่งการที่บุคคลทำคุณงามความดีไว้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือผลแห่งความภาคเพียรพยายามความอดทนความไม่ย่อท้อความรู้จักเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าไม่ประมาทนั่นเองเมื่อโชควาสนาอยู่ที่การกระทาของบุคคล จึงชื่อว่าเดินเฉียดคนและบางครั้งก็กระทบกกระทั่งคนอยู่เนืองนิดแต่คนไม่เห็นหรือไม่สนใจจึงพากันแสวงหาจากเหตุภายนอกมีการทําพิธีกรรมการเส้นสวงบูชาเป็นต้นคนที่ยากจนแต่ขยันมั่นเพียรรู้จักเก็บออมด้วยความไม่ประมาทก็อาจเป็นเศรษฐีได้ดังเศรษฐีบางคนที่ตั้งตัวได้ด้วยเงินเพียงกากรนิษหนึ่งเดียว และในทํานองเดียวกันผู้ที่ตั้งตัวได้เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วกลับถึงความพินาศเพราะตั้งอยู่ในความประมาทไม่รู้จักควบคุมการใช้ใจ่ายในที่สุดต้องกลายเป็นขอทานไปในที่สุดนี้เป็นข้อเตือนใจในคติโลกที่ย่อมเป็นประโยชน์แก่มหาชนแม้ในคดีธรรมก็อาจชี้ได้ว่าผู้ที่มีโอกาสได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเช่นสมเด็จพระบรมศาสดาที่มีผู้ยกย่องนับถือเคารพบูชา เห็นเป็นอัจฉริยบุคคลในโลกก็มีใช่สำเร็จมาแต่เหตุบังเอิญแม้แต่น้อยหากอาศัยความภาคเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติในการค้นคว้าความจริงแห่งชีวิตโชควาสนาจึงวิ่งเข้ามาหาท่านเหล่านี้โดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งไปหาเองไม่ต้องไปเร่งจาดผู้ทำนายไม่ต้องไปอ้อนวอนบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความข้อนี้ย่อมเห็นเป็นคติเตือนใจประการหนึ่ง ดูก่อนสุรเสนาธนิยะกล่าวต่อไปแล้วยกแผ่นดินเผาขึ้นมาพิจารณาในภาษิทข้อที่สซึ่งว่าเกิดเพลิงไหมชนิดเดินได้มองไปทางไหนก็พบเพลิงไหมเดินไปมาแต่ไม่มีใครคิดดับนั้นเป็นปริศนาธรรมที่เลียนข้อความแห่งพระพุทธภาสิทธในมิกระสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวินิจฉัยปริศนาข้อหนึ่ง ในหลายข้อว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟจะได้แจกอะไรพระองค์ตรัสว่าจอมปลวกได้แจกร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสเกิดจากมารดาบิดาก่อขึ้นด้วยอาหารคือข้าวสุกและขนมสดเป็นต้นที่ว่าเป็นควันในเวลากลางคืนนั้นก็คือมนุษย์ทั้งหลายผู้ครองร่างกายนั้นปารากิจการในเวลากลางวัน ก็ครุ้นคลิดตรึกตรองวิตกกังวลไปต่างๆจึงมีลักษณะเหมือนว่าจอมปลวกนั้นมีควันพุ่งขึ้นในราตรีการครั้นถึงเวลากลางวันจอมปลวกหรือมนุษย์ทั้งหลายก็วิ่งวุ่นทำการงานด้วยกายด้วยวาจามีลักษณะเหมือนลูกเป็นเปลวเพลิงอยู่ข้อที่ว่าเกิดเพลิงไหมชนิดเดินได้มองไปทางไหนก็พบเพลิงไหมเดินไปมาแต่ไม่มีใครชิดดับนั้นย่อมหมายถึง การที่มนุษย์ทั้งหลายถูกเพลิงคือราคาโทสะโมหะเผาให้ลุกเป็นเปลวอยู่เสมอเมื่อเกิดเพลิงไหมอย่างนี้แล้วก็พากันเดินไปมาขวักควายแต่ไม่มีใครคิดดับก็เพราะไม่รู้สึกตนว่าเพลิงกำลังไม่อยู่ยิ่งกว่านั้นยังเที่ยวสแสวงหาเชื้อเพลิงใส่เพิ่มเติมให้เพลิงลุกชดช่วงยิ่งขึ้นเมื่อเกิดรู้สึกความทุกความเดือดร้อนแทนที่จะคิดดับที่ตนเอง กลับคิดแก้ไขคนอื่นหรือโทษโน่นโทษนี่อันเป็นเรื่องล้วนมองไปภายนอกไม่ย้อนมาคิดแก้ที่ตนเองเลยเราจึงได้ยินแต่คนทั้งหลายประนามหรือกล่าวโทษคนอื่นติเตียนคนอื่นอยู่โดยมากนี้ก็เป็นคติเตือนใจประการหนึ่ง ดูกนสุรสีนะในปริศนาธรรมข้อที่สซึ่งว่าของดีจะคงอยู่ถ้าคนในไม่ทำลายและคนนอกคอยช่วยดูคนในไม่ดีจะช่วยล้างคนนอกไม่คุมจะช่วยผา น, นั้นแสดงถึงความห่วงใยของผู้คิดปริศนาธรรมข้อนี้อันมีต่อพระพุทธศาสนาเป็นการเตือนให้คำนึงกันทั้งสองฝ่ายคนในนั้นได้แจกภิกษุภิกษุกษณี ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบอายุพระศาสนาคนนอกนั้นได้แจกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีที่ชื่อว่าเป็นคนในนั้นอาจทำลายพระพุทธศาสนาได้มากกว่าคนภายนอกเพราะถ้าท่านเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยโดยชอบแม้ศัตรูจริ ง, รงๆก็จะกลายเป็นมิตรเพราะพระธรรมวินัยนั้นไม่เป็นปฏิบัติต่อใครมีแต่จะสร้างความผาสุกสงบ และสอนให้คนมีความสุขความเจริญก็แต่ว่าภิกษุภิกษุณีผู้รักษาพระธรรมวินัยสืบอายุพระพุทธศาสนานั้นเมื่อใดเป็นผู้เห็นแจาอามิดคือลาบสาการะและเครื่องล่อต่างๆประพฤตินตนให้ย่อหย่อนลงหรือบางครั้งกับยอมให้อามิดเป็นผู้จูงไปย่อมทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรหรือนาเองในการทา สิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรนั้นเพราะเห็นแจอามิตรประหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าไม่มีการเรียกร้องสิ่งของเครื่องบริจาคบำรุงจากคนทั้งหลายแล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้จึงพากันหาวิถัต่างๆสุดแต่จะล่อใจจูงใจให้คนบริจาคทรัพย์บำรุงแท้จริงเป็นความเข้าใจผิดของบริจาคบำรุงนั้นจะหลั่งไหลามาเองถ้าภิกษุภิกษุณีปฏิบัติตนให้ถูกให้ควร เมื่อคนเลื่อมใสก็จะคิดบำรุงรักษาไม่จําเป็นต้องไปเรียกไปร้องเพราะเมื่อมีการเรียกร้องวิงบอลเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาก็จะไม่ค่อยมีธรรมะมีแต่เสียงแสดงว่าผู้พูดตกอยู่ใต้อํานาจของความโลภเห็นแจอามิตรจนลืมหน้าที่อันแท้จริงคือการสอนคนมีใจสูงเหนืออามิตรสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเตือนว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้รับมรดกธรรมะของเราเถิดอย่าเป็นผู้รับมรดกอามิตเลยอันแสดงว่าถ้าจะสืบต่อพระศาสนาแล้วก็จงรับช่วงธรรมะไปสืบต่อเถิดอย่าไปมัวค้นว่ามีสมบัติอะไรที่เป็นวัตถุอันจะนำมาจ่ายแจกกันไปเลยอันหนึ่งคำว่าคนนอกช่วยคอยดูซึ่งพ่อได้กล่าวไว้แล้วว่าหมายถึงอุบาสิกอุบาสิกานั้นก็คือครหัด ผู้บำรุงศาสนาด้วยวัตถุจะต้องช่วยกันดูช่วยกันแลคอยช่วยกันส่งเสริมภิกษุภิกษุณีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบและศึกษาให้รู้จักว่าผู้ประพฤติดีเป็นอย่างไรผู้ประพฤติซามเป็นอย่างไรถ้าคนภายนอกรังเกียจผู้ประพฤติซามคนภายในก็ไม่กล้าประพฤติจะเป็นการช่วยกันคุ้มให้ดีอยู่ในตัวคําว่าคนไหนไม่ดีจะช่วยล้างคนนอกไม่คุมจะช่วยผานนั้น ก็แสดงอยู่แล้วว่าทั้งคนภายในและคนภายนอกคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่รวมกันเป็นพุทธบริษัทต่างก็มีส่วนช่วยทำความเจริญหรือช่วยทำลายหลางผลานพระพุทธศาสนาได้ด้วยกันพ่อพอใจคำอุปมาเรื่องถาดข้าวปายาตซึ่งบุคคลใส่ข้าวไว้เต็มดีแล้วข้าวปายาตนี้ถ้าใช้นิ้วจุ่มลงไปตรงๆแล้วยกขึ้นมาจะไม่มีข้าวติด หรือก็มีน้อยเดือเกินต่อเมื่องอนิ้วหน่อยหนึ่งแล้วยกขึ้นข้าป่าญาติก็จะติดนิ้วขึ้นมาได้อันแสดงว่าผู้ใดก็ตามถ้าเห็นแจได้ไม่เห็นจะธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อขัดเกลว์แต่ปฏิบัติตนเพื่ออามิตรแล้วความประพฤติก็จะอดโคตรงอไม่ได้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนไม่ให้ติดในชื่อเสียงลาบสการะ ปราบใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจในเรื่องนี้ปราบนั้นความสุขความเจริญก็ยังหวังได้ความยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนาก็เป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นจึงควรช่วยกันส่งเสริมกติธรรมนี้และแท้จริงก็เป็นการส่งเสริมความผาสุขแห่งจิตใจของเราเอง ดูก่อนสุรเสนะในภาษิทธข้อที่5ว่ายักษ์ตนหนึ่งเหินไปไม่คืนหลังล้างผลานชีวิตมนุษย์และสัตว์สุดที่จะประมาณได้ใครกินยักษ์ตนนี้ได้จะมีลาบอันประเสริฐดังนี้ก็มีความตื้นซึ่งเจ้าเองก็คงเห็นความจมแจ้งแล้วยักษ์ในที่นี้ได้แจกการเวลาที่ว่าเหินไปไม่กลับหลังก็คือการเวลาย่อมล่วงไป พร้อมกับกลืนกินชีวิตมนุษย์และสัตว์ไม่เลือกหน้าคนชาวโลกทั่วไปก็อาจจะเข้าใจปัญหานี้แต่เมื่อถามถึงวิธีแก้ก็คงจะตอบเพียงว่าต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือพยายามตั้งอยู่ในคุณงามความดีพยายามเล่าเรียนศึกษาให้มีโอกาสอันดีก่อนที่จะสายเกินไปการตอบอย่างนี้เป็นความคิดชั้นสามัญคือยอมให้ยักษ์นั้นกิน โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างดีที่สุดก็เพียงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อจะถูกกินเท่านั้นส่วนคำสอนของพระพุทธศาสนามิใช่เพียงจะเตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ให้คิดสู้ยักษ์คือการเวลานั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะจินยักษ์หรือการเวลานั้นบ้างนี้ก็คือพยายามทาตนให้อยู่เหนือการเวลาไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความเวียนว่ายตายเกิด จึงชื่อว่าเมื่อกินยักษได้ก็จะได้ลาบอันประเสริฐผู้ใดก็ตามอยู่ใต้อานัาจของผู้อื่นยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสิ่งอื่นผู้นั้นยังไม่มีอิสระและไม่เป็นไทยแก่ตัวทางที่ดีจึงควรเป็นอิสระด้วยการต่อสู้ปวดเปลื้องความเป็นธาตุภายในของตนให้สําเร็จก่อนความเป็นธาตุภายนอกก็จะหมดไปเอง ดูก่อนสุรเสนในธรรมภาษิตข้อที่6ซึ่งกล่าวว่าพระจันทร์เต็มดวงในราตรีชุนหปักคือข้างขึ้นบัดนี้มีผู้คนค้นพบพระจันทร์เต็มดวงในการละปักคือข้างแรมแล้วจงมาช่วยกันดูให้เชื่อใจนั้นเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะมองหาแต่แสงสว่างที่มีอยู่ในธรรมชาติเท่านั้นในธรรมชาติย่อมมีกลางคืนกลางวัน ข้างขึ้นข้างแรมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างวนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระส่วนแสงสว่างภายในคือปัญญานั้นย่อมส่องสว่างตลอดวันตลอดคืนตลอดชุนหปักและการลปักสมเด็จพระบรมศาสด า, าได้สั่งสอนธรำให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาซึ่งเทียบได้กับค้นพบดวงจันทร์ในการลปักแล้วจงมาช่วยกันดูให้ชื่นใจก็คือจะต้องทําให้เกิดดวงตาภายในด้วย จึงจะเห็นดวงจันทร์ในการรัปากไม่เช่นนั้นก็จะไม่เห็นอะไรเลยอันหนึ่งเจ้าคงได้ฟังบทเพลงของชาววัตชีแล้วเมื่อไปดูชาววัตชีลงเล่นเรือในทะเลสาบคงจะจําได้ว่ามีบทเพลงบทหนึ่งซึ่งผู้ผูกขึ้นเป็นผู้มีความเข้าใจในท้องฟ้ากล่าวไว้คือข้อความที่ว่าดวงจันทร์นั้นมีข้างขึ้นข้างแรงจริงหรือหรือว่ามนุษย์เห็นไปอย่างนั้นเอง ผู้อ่านท้องฟ้าออกกล่าวว่าดวงจันทร์นั้นเต็มดวงอยู่เสมอเป็นแต่บางครั้งข้างที่สว่างไปอยู่ทางอื่นมนุษย์ก็มองเห็นเป็นมืดนั่นจะเป็นความผิดของดวงจันทร์หรือว่าดวงตาคำกล่าวนี้ย่อมได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือในทางความจริงของดวงจันทร์และในทางถอดความเป็นคติสอนใจให้คิดทาให้เกิดดวงตาภายในซึ่งจะเข้าใจสิ่งทั้งปวงแจ่มแจ้งเหมือนหนึ่งไม่มีราตรีการ ดูกนสุรเสนะข้อ7แห่งธรรมภาษิตอันเป็นข้อสุดท้ายนับว่ามีค้าตื่เตือนใจอย่างสูงและสำคัญมากคือข้อที่ว่าในวงกลมอันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเหตุฉ น, นยคนจึงเห็นว่าเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วหัวเราะและก็ร้องไห้ใครเล่าจะเตือนให้คนเหล่านั้นหยุดฟันสีทีพ่อใครจะกล่าวว่าผู้ใด ยังมองความจริงข้อนี้ไม่เห็นผู้นั้นย่อมชื่อว่าอ่านชีวิตไม่ออกและไม่ชื่อว่ารู้จักพระพุทธศาสนาดูก่อนสุรเสนาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนมานพู้หนึ่งซึ่งไปทูลถามว่ามองโลกอย่างไรจึงจะข้ามความตายได้และความตายจะมองไม่เห็นพระองค์ตรัสตอบว่าจงมองโลกให้เห็นว่า ว่างเปล่าอยู่เสมอถอนความเห็นเป็นเหตุให้ยึดเรื่องตัวตนเสียก็จะข้ามความตายได้ความตายก็จะมองไม่เห็นดูก่อนสุรเสนาเมื่อคนทั้งหลายมองดูโลกคำว่าเราของเราเขาของเขาจะเต็มไปหมดใจก็ไปติดไปยึดที่เราและของเราเทียบเคียงกับเรื่องของเราและของเขามีความวุ่นวายหาที่สุดมิได้ ผู้เดพยายามมองให้เห็นคำว่าเราของเราเขาของเขาเล็กแฟบลงไปจนสลายตัวไปในที่สุดให้เห็นเพียงวงกลมอันว่างเปล่าก็จะคลายความติดความยึดหมดสมมุติบัญญัติไม่หลงร้องไห้หัวเราะกับความขึ้นความลงอันเสมือนหนึ่งลูกคลื่นแห่งชีวิตซึ่งย่อมเป็นของธรรมดาอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ผิดอะไร ัความฝนดูก่อนสุรเสนะผู้ใดรู้จักมองให้เห็นความว่างเปล่าในข้อสุดท้ายนี้ข้อเดียวย่อมเสมือนหนึ่งรู้จักข้อต้นทั้งหกข้อนั้นด้วยเพราะเหตุข้อสุดท้ายนี้ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาเหตุผลแล้วสอนใจตนเองให้มีความปลอดโปรง่งชื่นบานในธรรมของสำเร็จพระบรมศาสดา พระเจ้าสุรเสนะก็ลงกราพระชชิดาทราบซึ้งในพระวาจะอธิบายข้อธรรมนั้นทรงรู้สึกแช่มชื่นในพระธรรมเหมือนหนึ่งได้อยู่ในบริเวณพระคันทกุดีที่ประทับของสมเด็จพระบรมศาสดาอีกพลางความชิดคำหนึ่งก็ย้อนไปถึงวันที่พระองค์เข้ากราบถวายบังคมลาสดับพระพุทธโอวาสเป็นครั้งสุดท้ายยังจาได้ ถึงพระวรากายอันงามสงา่าพระพักอิ่มเอิบด้วยธรรมปีติแม้พระชนมชีพจะล่วงเข้าสู่ปชิมวัยแล้วยังจําได้ในขณะที่คลานออกมาจากที่เฝ้าด้วยความเสียดายอารายรักและมีน้ำพระเนตรนองหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เหลือนรางในพระพุทธโอวาทและความจงรักพักดีในคุณธรรมของพระองค์เลย พระเจ้าสุรเสนะทรงสั่งให้คัดลอกปริศนาภาษตนั้นแจกจ่ายไปในที่ต่างๆแล้วกำหนดนัดวันเวลาที่ผู้คนปรารถนาจะตอบชิงรางวัลจะพึงเข้าพบกับคณะอํมมาดเพื่อตอบปัญหาจะเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ใครตอบได้ดีที่สุดจะพระราชทานรางวัลตามความเหมาะสม คนทั้งหลายก็สนใจจดจำข้อปัญหานั้นแล้วก็พากันคิดพิจารณาที่บางคนเห็นใจรางวัลคิดเองไม่ได้ก็ไปรบเร้าคนอื่นที่ตนสำคัญว่าคิดได้ให้ช่วยบอกและขยายความบางคนที่ชื่อว่ามีความรู้แต่ยังคิดไม่ออกและก็ไม่อยากแสดงตนว่าไม่รู้ก็ทําเป็นนิ่งประหนึ่งว่ารู้แล้วไม่อยากพูดตามท่าน้าตามร้านตลาดมีเสียงโจยขานกัน เรื่องปริศนากลางน้ำนี้อยู่ทั่วไปครั้นถึงวันกำหนดนัดผู้ใครจะได้รางวัลก็ไปคอยเพื่อตอบตามที่ตนพิจารณาเห็นและคิดได้พระเจ้าสุรเสนสทรงมอบให้อำมาตผู้ใหญ่สี่คนไปเรียนรู้ข้อความอธิบายจากพระชชิดาแล้วนั่งร่วมกันฟังคำตอบของคนทั้งหลายการเวลาล่วงไปถึงสามวันจึงฟังคาตอบหมดสิน้นเป็นที่น่ายินดีว่า ผู้คิดตอบได้ครบทุกข้อมหาอมาตได้ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ให้รับรางวัลไปผู้ได้รางวัลเหล่านั้นจึงมีหน้าที่อธิบายความข้อนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าในที่ประชุมแห่งมหาชนผู้คล้อยรู้ตามความหมายเป็นการช่วยให้อยุธยามหานครเจริญได้ความสนใจใคล้อยธรรมะเป็นการช่วยให้ธรรมสนาได้แผ่ไปอีกวาระหนึ่ง กระแสน้ําในลําน้ําสระอยู่ไหลอ่อนๆลงสู่ด้านทิศใต้ไปบรรจบกับลําน้ําอจิราวดีแม้ในราตรีนั้นจะมืดมิดเนื่องจากเป็นราตรีการละปักเห็นแต่ดาราทั้งหลายระยิบระยับไปทั่วแต่ก็มีบางคนนั่งมองดูดาราในการละปักแล้วคิดถึงปริศนาธรรมที่ว่าดวงจันทร์ในการละปักก็ส่องแสงได้ แต่มีผู้พบแล้วด้วยครันแล้วก็ชิดไปถึงคำเฉลยที่ชี้ไปถึงปัญหาของมนุษย์และความจริงของดวงจันทร์เสียงจิ้งหรีดเรย ร, ยริมน้ำและลมเย็นอันพัดมาช่วยกล่อมใจของคนที่นั่งคิดอยู่เงียบๆนั้นให้มีความสงบและชื่นบาน